คำว่าบุคคลย่อมถึงความสงบในภายในด้วยความไม่มีทิฏฐิไม่มีสุตะไม่มียานด้วยความไม่มีศีลด้วยความไม่มีพรตก็หาไม่ได้เนี่ยนะความว่าบุคคลเป็นผู้บรรลุถึงความสงบในภายในด้วยสักว่าสัมมาทิฏฐิก็หาไม่ได้ไม่ใช่มีกรรมสกตาแล้วจะดับกิเลสได้นะเฉพาะตรงนั้นนะนะไม่ใช่ด้วยธรรมวักการฟังคือฟังแค่ฟังอยู่นะแค่ได้ยินพระตายไิดกก็บรรลุไม่ได้หรอก ด้วยสักแต่ว่ายานคือเนี่ยตามมัสกตาญาณสัจจานุโลมิกญาณนะนะถ้าหยุดอยู่เท่านี้ไม่จนถึงอริยมรคยานก็บรรลุไม่ได้ด้วยธรรมสักแต่ว่าศีลคือปาฏิโมกก็ไม่ได้ด้วยสักแต่ว่าพรตคือทุดงไม่ได้ก็ไม่ใช่ย่อมบรรลุความในสงบในภายในด้วยเว้นจากธรรมะเหล่านั้นก็หามิได้ก็เพราะธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องอุดหนุนเพื่อบรรลุถูกต้องทําให้แจ้งซึ่งความสงบในภายในอันนะคือ ตัวทิฏฐิสุตะยานศีนวัดเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่ออริยมรรคที่จะทำให้ดับกิเลสเนี่ยนะคำว่าบุคคลสละธรรมะนั้นแล้วไม่ถือมั่นคำว่าบุการละโดยการกำจัดธรรมะฝ่ายดำด้วยธรรมะเหล่านี้จำต้องปรารถน า, านะความหมดตัณหาในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลอันมีในตรายธาตุ จำต้องปราถนาคือต้องอาศัยเนี่ยทิฏฐิคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบเนี่ยนะสุตะคือฟังพระไตรปิฎกมียานกรรมสกตายานสัจจานุโลมิจกยานอภิญญายานสมาบัติยานศีลคือปาติโมขะสังวรแล้วก็ทูดงเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นตัวกำจัดธรรมฝ่ายดําเช่นว่าสัมมาทิฏฐิก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิสุตตะก็กำจัดการไม่ได้ฟังยานกรรมสกตาาก็กำจัด ความไม่รู้เนี่ยนะสัจจานุโลมมิจยานก็กําจัดไอสิ่งที่ไม่อนุโลมต่อสัจจะแม้กระทั่งอภิญญายานการรู้ยิ่งสมาบัติยานหรือศีลหรือทุดงขวัตเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องกําจัดฝ่ายอากุศลในเบื้องต้นงหมนทีนี้ความหมดตันหาในกุศลธรรมในฝ่ายตรายธาตุเนี่ยนะก็จําต้องปรารถนาะคือแม้แต่กุศลตันหาก็ไม่เข้าไปยึดถือ คือเจริญกุศลเจริญรูปาวะเจริญมหากุศลเจริญรูปาวจรกุศลเจริญอรูปาวจรกุศลแต่ไม่เข้าไปเพลิดเพลินในกุศลนั้นด้วยอำนาจตันหาธรรมะฝ่ายดำเป็นธรรมะอันบุคคลใดละได้แล้วด้วยการละโดยจํากัดมีรากอันตัดขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา และหมดตันหาในธรรมะทั้งหลายฝ่ายกุศลอันมีในไตรธ า, าตย่อมมีได้ด้วยเหตุใดบุคคลย่อมไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแม้ด้วยเหตุเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งธรรมะฝ่ายดําเหล่านั้นบุคคลไม่พึงถือไม่พึงยึดถือไม่พึงถือมั่นแม้ด้วยเหตุนั้นจึงเคิยว่าบุคคลสละธรรมะเหล่านั้นแล้วไม่ถือมั่นไม่ยึดแม้แต่อกุศลเนี่ยนะกำจัดอกุศลทุกชนิดแม้แต่กุศลก็ไม่เพลิดเพลินด้วยอํานาจตันหาเนี่ยนะ ตันหาทิฏฐิและมานะเป็นกิเลส ช, ชาติอันบุคคล น, นั้นละได้แล้วมีรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดด้วนอันนี้ก็อริยมรรคนะให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยเหตุใดบุคคลย่อมไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแม้ด้วยเหตุนั้น น, นะแกว่าปฏิบัติยังไงที่จะเห็นนิพพานกําจัดกิเลสได้ยังไงนะจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นแหละ ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนินชาพิสังขาร เ, เป็นสภาพอันละได้แล้ว น, นะตัดแม้กระทั่งบุญเน่ยนะไม่ให้บุญนําเกิดอะ่ะมีรากอันขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยเหตุใดบุคคลย่อมไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแม้โดยเหตุเหล่านั้นอ น, นะสังขารดับเพราะอะไรดับ ก็เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับนยถ้าอวิชชาถูกดับด้วยอริยมรรคเนี่ยนะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปฏิสนธิวิญญาณก็ดับเพราะฉะนั้นการดับอวิชชานั่นแหละเรียกว่าการดับสังขารด้วยก็ดับบุญดับบาปเนี่ยนะคำว่าเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบคําว่าสงบก็คือเป็นผู้สงบเข้าไปสงบประงับดับแล้วเพราะดับราคะโทสะโมหะดับความโกรธความผูกโกรธ ดับความลบหลู่ความตีเสมอดับความริษยาความตนีดับความลวงความโอ้อวดดับความกระด้างความแข็งดีดับความถือตัวความดูหมิ่นดับความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกูสลาภิสังขารทั้งปวงเนี่ยถึงความสงบเข้าไปสงบไม่แล้วระงับแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้สงบเนี่ยนะคำว่านิสัยนิสัยนี่มีสองนะก็คือนิสัยก็ คืออาศัยอาศัยสองอะนะอาศัยด้วยตันหากับความอาศัยด้วยทิฏฐิเนี่ยบุคคลละตันหานิสยัยสละคืนทิฏฐินิสยัยแล้วไม่อาศัยคือไม่ถือไม่ยึดมั่นถือมั่นตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจด้วยอำนาจตันหากับทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสโธพธะะด้วยอานาจตันหาทิฏฐิเนี่ย น, นะในสกุลคณะและอาวาส ในลาบยศสรรเสริญในสุขในจีโวลบินธบาศเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริหารในการมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุในการมาพบรูปพบอรูปพบในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญาณสัญญาภพในเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพในอดีตอนาคตปัจจุบันในธรรมที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งเรียกว่าเป็นผู้สงบสงบกิเลสแล้วไม่อาศัยด้วยอำนาจตันหาทิฐิในอารมณ์ทั้งปวง คำว่าไม่พึงหวังพบก็คือไม่หวังไม่ประสงค์ไม่ปรารถนาซึ่งการมาพบรูปประพบและอรูปประพบจึงชื่อว่าผู้สงบกิเลสไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิก็ไม่พึงหวังพบสามนี่นะไม่ต้องการพบใดแม้แต่น้อยพยาะฉนัสรุปที่พระองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนมาคันธยะบัณฑิตไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยสุตะไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยยานไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยศีลและพรต คือศักด์แต่ว่าคุณธรรมเหล่านั้นบริสุทธิ์ไม่ได้แต่บุคคลย่อมถึงความสงบในภายในด้วยความไม่มีสุตะด้วยความไม่มียาด้วยความไม่มีศีลด้วยความไม่มีพรตกก็หาไม่ได้นะคือขาดคุณธรรมเหล่านั้นก็บรรลุไม่ได้อีกนั่นแหละบุคคลสละธรรมะคือสละอกุศลสละตัณหาในกุศลเนี่ยนะไม่ยึดถือมั่นก็คือไม่ถือด้วยตัณหาและทิฏฐินะไม่ถือเป็นผู้สงบ อกุศลคือสงบสมุทัยสัตว์ไม่อาศัยตันหาทิฏฐิก็ไม่หวังพบสาม ท, ทีนี้มาคันธยาพรามเขก็บอกว่าเขาก็ไม the ่ชอบนะคำที่กล่าวไปบอกว่าได้ยินว่าถ้าบัณฑิตไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยทิฏฐิด้วยสุตตะด้วยยานไม่กล่าวความหมดจดด้วยศีลพรตบุคคลย่อมถึงความสงบในภายในด้วยความไม่มีทิฏฐิด้วยความไม่มีสุตตะด้วยความไม่มียานไม่มีศีลไม่มีพรตก็หามีได้ใช่นะถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดนะ ข้าพเจ้าย่อมสําคัญธรรมะของท่านว่าเป็นธรรมะของคนโง่เขลาโดยแท้อู้อะไรจะโง่ปะนั้นอะไร่างเง้นนะเพราะสมณะพราหมณ์บางพวกย่อมถึงความหมดจดด้วยทิฏฐินะเขายึดถือในว่ามันต้องบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิสิมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะนะเพราะฉะนั้นไหนธรรมะที่ท่านพูดมานี่ไม่ฉลาดเลยอย่างเงี้ยข้าพเจ้าสําคดคิดว่าโง่มากอย่างั้นเพราะว่าต้องบรรลุด้วยทิฏฐิสิอ่างเง้นซึ่งอธิบายว่า ข้าพเจ้าย่อมสําคัญธรรมะของท่านว่าเป็นธรรมะของคนโง่เขลาโดยแท้ที่บายว่ า, าความว่าข้าพเจ้าย่อมสําคัญคือย่อมรู้ทั่วย่อมแทงตลอดอย่างนี้ว่าธรรมะของท่านนี้เป็นธรรมะของคนโง่เขลาคือเป็นธรรมะของคนพาลเป็นของคนหลงเป็นของคนไม่มีความรู้เป็นของคนกวัดแกงไม่ตายตัวก็ดูหมิ่นมา ก, กานะโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันน่ะไม่เห็นฉลาดอะไรเลยนะ บอกว่าไม่ได้บริสุดดสทธิ์ด้วยศีลอด้วยทิฏฐิด้วยยาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยวัดอะ่ะเอางั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะบรรลุไม่ได้เอ๊งงั้นมันโง่มากอะ่ะเพราะอะไรเพราะสมณพราหมณ์บางพวกย่อมยึดถือความหมดจดด้วยทิฏฐินี่เขาว่างั้นอ่ะสมณพราหมณ์บางพวกอ่ะนะเขาเขายึดถือความหมดจดหมดจดวิเศษหมดจดรอบความพ้นพ้นวิเศษพ้ น, พ น, พ น, พนรอบด้วยทิฏฐิ คือสมณพราหมณ์บางพวกย่อมถือความหมดจดหมดจดวิเศษหมดจดรอบพ้นพ้นวิเศษพ้นรอบด้วยทิฏฐิวันโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไอ้พวกที่สองบอกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นเปล่าไอ้พวกที่สาก็บอกว่าโลกมีที่สุดอย่างอื่นไม่ใช่ทั้งนั้นแหละไอ้พวกที่สีก็บอกว่าโลกไม่มีที่สุดไอ้พวกอื่นที่พูดผิดทั้งหมดเนี่ยไอ้พวกบอกว่าสัตว์ตายแล้วเป็นอีกไอ้พวกอื่นที่พูดต่างจากนี้ผิดหมดอย่างเงี้ยนะ เขาก็ยึดถือนะพระเขาถือว่าลัทธิของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทำให้บริสุทธิ์ได้เพราะพวกสมณพราหมณ์ก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยความหมดจดพระพุทธเจ้าก็ชี้ตรงๆไปเลยบอกว่าท่านนี้อาศัยทิฏฐิถามอยู่เนืองๆจึงได้ถึงความลหลงไหลในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านยึดถือท่านนี้แบกอยู่ในทิฏฐิแล้วก็ถามมุ่งเอาแต่ทิฏฐิบา ง, งั้นท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม่น้อยจากธรรมะนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประ เพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความหลงแม้แบกทิฏฐิอยู่นั่นแหละเหมือนนนะพู้ตรงๆเราบอกแบกทิฏฐิอยู่นั่นแหละถามทั้งหลายก็ถามอยู่ในทิฏฐิเพราะฉะนั้นแม้แต่สัญญายังไม่ได้เลยเหมือนกันจะกล่าวไปย้ายถึงจะบรรลุเหมงอนกันเพราะฉะนั้นท่านจะก็หลงอยู่อย่างนั้นต่อไปนั่นแหละแบกแต่ทิฏฐิตัวเองอยู่นั่นแหละคาว่าท่านอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยู่เนืองๆความว่ามาคันธิยพรามอาศัยทิฏฐิถามคือตัวเองเนี่ยยังหมายว่าถือทิฏฐิหกอยู่นะ อาศัยความเกี่ยวข้องถามอาศัยความเกี่ยวข้องถามอาศัยความผูกพันถามความผูกพันทวนอีกครั้งหนึ่งอาศัยทิฏฐิถามทิฏฐิอาศัยความเกี่ยวข้องถามความเกี่ยวข้องอาศัยความผูกพันถามความผูกพันอาศัยความกังวลถามถามถึงความกังวลเน่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบกทิฏฐิอยู่นั่นแหละก็ถามก็ยุ่งอยู่กับทิฏฐิอยู่นั่นแหละมั้ ได้ถึงความหลงไหลในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านยึดถือแล้วนะคือพอยึดถือทิฏฐิอยู่อย่างนั้นอ่ะฉลาดไหมก็ไม่ฉลาดนะนะเพราะฉะนั้นมีความว่าทิฏฐิใดอันท่านถือคือยึดถือถือมั่นติดใจน้อมใจเชื่อแล้วท่านเป็นผู้หลงหลงไหลลุ่มหลงถึงความหลงถึงความหลงไหลถึงความลุ่มหลงเป็นผู้แล่นไปสู่ที่มืดด้วยทิฏฐินั่นแหละอ่ะนะทิฏฐินั่นแหละมันพามืดพาโง่พาเขลาอย่างนั้น และท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยจากธรรมะนี้คือถ้าท่านแบกแบกไอ้ไอทิฏฐิของท่านอยู่นะท่านแม้แต่ความจำท่านยังไม่ได้จากธรรมะคือพัฒน์คำสอนนี่เลยอธิบายว่าท่านย่อมไม่ได้พบสัญญาอันควรสัญญาอันถึงแล้วสัญญาในลักษณะสัญญาในกรณะสัญญาในฐานะจากธรรมะนี้คือจากความสงบภายในจากความปฏิบัติจากธรรมเทศนาท่านจะได้ญาณแต่ที่ไหนสำนวนว่า ความจําอริยสัตว์ท่านยังจําไม่ได้ถ้าท่านแบกที่ถีอย่างนั้นอ่ะแล้วท่านจะมีปัญญาเห็นอริยสัตว์ไนดะ้ยังไงว่ากันอีกอย่างหนึ่งท่านจะไม่ได้พบขันเบนจะขันว่าไม่เที่ยงด้วยญาณอันอนุโลมแก่อนิจญานุปัสนาบ้างอ่า น, นะเบนจะขันอันเป็นทุกญาณอันอนุโลมแก่ทุกขสัญญาบ้างเบนจะขันอันเป็นอนัตตายาณอันอนุโลมแก่อนัตตสัญญาบ้าง ธรรมะสักว่าความเกิดขึ้นแห่งสัญญาธรรมะเป็นนิมิตแห่งสัญญาบ้างท่านจะได้ญาณแต่ที่ไหนหังกันหมายความว่าขนาดสัญญายังไม่ได้และ ว, วิปัสสนาหรือปัญญามันจะได้มาจากไหนหวังกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านยังแบกอยู่ในที่ถี่เนี่ยนะท่านจะเห็นเออท่านจะจาว่าขันห้าไม่เที่ยงท่านก็จําไม่ได้หรอก ท่านจะจําว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านก็จําไม่ได้หรอกท่านจะจํำขำห้าว่าเป็นอนัตตาท่านก็จําไม่ได้ถ้าท่านจําขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้วิปัสสนามันจะเกิดได้อย่างไรนั่นนะถ้าท่านจําว่าสัญญาขันห้าไม่เที่ยงไม่ได้แล้วอันนีจารุปัสสนาหรือว่าอาริยมรรคที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปได้อย่างไงว่งงางั้นก็ปฏิเสธนะนัเพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความหลง แบกแต่ทิฏฐิตัวเองนะก็ไม่พบทางแห่งสมถะวิปัสนาเพื่อพ้นอะไรสักอย่างก็ประสบอยู่แต่ความหลงคําว่าเพราะฉะนั้นก็คือเพราะกรณะนั้นเหตุนั้นตัจจัยนั้นนิทานนั้นท่านจึงประสบคือพบเห็นแลเห็นแพ่งเห็นพิจรารณาเห็นแต่ธรรมะของคนหลงะนะก็เป็นธรรมะของคนพาลเป็นธรรมะของคนลงหลงไหลเป็นธรรมะของคนไม่มีความรู้ธรรมะอันกวัดแกว่งไม่ตายตัวสรุปว่าท่านนี้อาศัยทิฐิทั้งหลายถามอยู่เนือง นะแบกทิฏฐิก็ถามอยู่นั่นแหละว่ากั้นก็เลยถึงความลหลงไหลในทิฏฐิที่ท่านหยื้ก็มืดอยู่กับทิฏฐินั้นแหละท่านไม่ได้สัญญาแมโน้จากธรรมานี้ว่าจําคําสอนจําอะไรเข้าใจอริยสัจจำอริยสัจไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นท่านก็ประสบแต่ความหลงนะไม่จําต้องพูดถึงวิปัสสนามักผลอะไรและผมก็ตรัสสอนต่อไปว่าผู้ใดย่อมสําคัญว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขา ผู้นั้นก็พึงวิวาทด้วยความถือนั้นะคือใครมีมานะมากมันก็ทะเลาะกับด้วยมานะกับคนอื่นใช่ไหมว่าเราเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขายอมไหมล่ะก็ไม่ยอมหรือบางทีเราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยฉลาดนะเราบอกว่าเรานี่มันเท่ากับคนอื่นทั้งหมดนั่นแหละคนอื่นเขายอมไหมเขาไม่ยอมเนี่ยนะสําคัญว่าเราเนี่ยเลวกว่าคนอื่นเนี่ยนะสมมุติว่าเหมือนกับคนมีสตังค์มากอนะบอกว่าชั้นเนี่ยจนน้อยกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยแหละเขายอมไหมไม่สมมุติว่าเราเนี่รวยที่สุดใช่ไหม แล้วเราก็ไม่อยาไม่อยากออกตังค์อ่ะไม่อยากเสียตังค์แล้วเราบอกคนอื่นว่าเราเนี่ยมีเงินน้อยที่สุดเนี่ยคนอื่นก็ยอมไหมไม่ยอมเนี่ยนะ้าก็อยากให้ออกเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเพราะในความถือตัวเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะวิวาทใช่ไหมบุคคลไม่หวั่นไหวในความถือตัวสามอย่างสําคัญว่าเราเสมอเข้าเราดีกว่าเข้าเราเลวกว่าเขาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคือผู้ที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะก็คือกําจัด มานะได้หมดแล้วเนี่ยนะก็ท่านก็ไม่มีความยึดถือมันพวกใดที่มีมานะนะก็จะทะเลาะวิวาสกับอาศัยมานะนั่นแหละ